เรื่องกรรมไม่ชอบด้วยธรรมไม่ชอบด้วยวินยัยหมวดที่สองอีก16กรณี402ท่านพระบาลีทูลถามว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้อมุรหาวินยัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินยัยให้สติวินยัยแก่ภิกษุผู้ควรอมุระหาวินยัยกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม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 แก่ภิกษุผู้ควรตัดสภาปิยศิกากรรมลงตัดฉนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสภาปิยสิกากรรมลงตัดสภาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดฉนียกรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดฉนียกรรมลงตัดฉนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมลงปับภาฉนียกรรม แก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปรับพาชนียกรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปรับพาชนียกรรมลงปรับพาชนยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรมลงอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม ลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนิยกรรมให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนยกรรมลงอุกเขปนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปริวาสชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัตรเดิมให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตรเดิมให้มานัด แกภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมชักภิกษุผู้ควรมานัดเข้าหาอาบัติเดิมอัพานภิกษุผู้ควรมานัดให้มานัดแก่ภิกษุผู้ควรอัภานให้ภิกษุผู้ควรอัพานอุปสมบทให้กุลบุตรอัพานกุลบุตรผู้ควรอุปสมบทกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยวินัยหรือพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยัยอุบาลีรกสงพร้อมเพรียงกันให้อมุระหาวินยัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินยัยให้สติวินัย แกภิกษุผู้ควรอมุระหาวิไนอุบาลีอย่างนี้แหลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวิไนยอย่างนี้แหลสงย่อมมีความผิดอุบาลีสงผู้พร้อมเพรียงกันลงตัดสปาปิยศิกากรรมแกภิกษุผู้ควรอมุระหาวิไน ให้อโมรหาวิัยแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัชฉนียกรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัชฉนียกรรมลงตัชฉนียกรรม แก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมลงปรปภาชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปรปภาชนิยกรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปรปภาชนิยกรรมลงปรปภาชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณิยกรรม ลงอุคเขปนิยกรรมแก่ภ ja ิกษุผู้ควปรปฏิสารนิยกรรมลงปฏิสารนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุคเขปนิยกรรมให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนิยกรรมลงอุคเขปนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปริวาสชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเดิม ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตรเดิมให้มานัดแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมชักภิกษุผู้ควรมานัดเข้าหาอาบัตรเดิมอับภานภิกษุผู้ควรมานัดให้มานัดแก่ภิกษุผู้ควรอับภานให้ภิกษุผู้ควรอับภานอุปสมบทให้กุลบุตร อภานผู้ควรอุปสมบทอุบาลีรีย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอย่างนี้แลสงย่อมมีความผิด